ไมมีอากาศเลยแปลว่าเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะอ๋อถูกต้องเสียงนี่เป็นคลื่นของความดันของตัวกลางอากาศมันอัดกันจนกระทั่งได้ยินเนาะแต่ในที่ที่ไม่มีอากาศไม่มีอะไรบีบอัดก็ไม่มีเสียงดังนั้นในสุญญากาศเนี่ยเสียงไม่สามารถวิ่งผ่านได้ข้างค่าวเนี่ยปล่อยเสียงออกไปแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนกลับมาอืปัญหาใหญ่ของวิธีนี้คืออะไรรู้ไหมเสียงสะท้อนมันเบามากน้องฟางลองตะโกนใส่กําแพงนะ ให้ดังสุดๆดอะแล้วรอฟังเสียงสะท้อนดิเสียงสะท้อนมันแทบไม่มีอะแทบไม่ได้ยินมันได้ยินน้อยมากบางคนก็บอกว่างั้นข้างข่าวต้องตะโกนดังมากตะโกนแบบกศิลาก้าสออกมาเงี้ยแต่นั่นก็เกิดปัญหาถ้าผมตะโกนดังผมก็ได้ยินเสียงตัวเองดังดังนั้นถ้า้งข่าวเลือกที่จะตะโกนดังเพราะเผื่อประสาทหูก็พังอีกเพราะ<อ>ดังเกินไปอเห็นไหมเพรามันมันน่าทึ่งมากที่ธรรมชาติหาคําตอบบางอย่างให้กับข้างข่าวได้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 ก็อยู่ทั้งในโลกศิลแล้วก็ในโลกวิทย์ด้วยนะคะลองนึกถึงเพลงล่าสุดที่คุณฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออมันกินใจเราหรือว่าคําพูดของใครสักคนหนึ่งที่ทําให้คุณประทับใจหรือว่าจดจําได้ไปจนถึงการสนทนาของเราปกติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีคลื่นเสียงไม่ได้ยินก็คือจบเลยใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้เรามารู้จักกันว่าพลังของเสียงเนี่ยมันมาอย่างไงมันเกิดจากอะไรมาคุยกันในในดๆในโลกล้วนฟิสิกส์กันนะคะ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับฟังและท่ารอจิตพนาค่ะและผมปองแปงอัดวรงจันทมาศครับฟังดูเป็นเรื่องที่คุ้นเคยใกล้ตัวค่ะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเสียงคืออะไรค่ะพี่ปองแปงถ้าตอบสั้นๆเลยนะฮะเสียงคือคลื่นตามยาวที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศออกไปเสียงในเส้นที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างนั้นซึ่งมันเกิดจากการสั่นสะเทือนของสิ่งต่างๆที่เป็นต้นกําเนิดเสียงถ้าเราฟังเครื่องดนตรีนะฮะอย่างไวโอลินอ การสั่นของสายไวโอลินก็จะทําให้อากาศรอบๆเนี่ยมันสั่นออกมารอบๆแล้วก็มาที่หูของเราหรืออย่างกีตาร์นะครับก็การสั่นของสายกีตาร์หรือเสียงผมเนี่ยเสียงของผมของอัดมาลงจันทมาศเนี่ยหรือเสียงของน้องฟังก็เกิดจากการสั่นของเส้นเสียงที่อย so ู่ในลําคอแล้วอากาศที่อย e ู to to ่ในลําคอก็เกิดการสั่นสะเทือนออกมาต่อเนื um ่องออกมาแบบนี้นะมันก็คือการส่งผ่านในรูปแบบของคลื่นตามยาวซึ่ง คลื่นตามยาวคืออะไรคลื่อนคืออะไรก่อนเคลื่อนเนี่ยคือการส่งผ่านพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติซึ่งใครที่เรียนฟิสิกส์ก็จะรู้ว่ามันจะมีสะท้อนหักเหแทรกสอดเลียวเบนอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นการส่งผ่านพลังงานรูปแบบหนึง่งแต่คําว่าคลื่อนตามยาวเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าในการส่งผ่านพลังงานเนี่ยมันอาจจะแบ่งได้หลักๆเลยนะฮะสแบบในแบบคลื่นนะคือคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวอ่ะลองดูรูปนี้ค่ะนะครับ ถ้าเราเอาเชือกอหรือสปริงหรืออะไรก็ตามมาสะบัดอย่างนี้นะฮะเราก็จะเห็นคลื่นเนี่ยมันมันเคลื่อนที่ไปเนาะแต่ตัวกลางเนี่ยมันไม่ได้หลุดจากมือเราใช่ไหมคือตัวกลางมันไม่ดิ่งไปตัวที่วิ่งไปคือพลังงานที่ส่งผ่านในรูปแบบคลื่นแล้วเชือกเนี่ยมันสั่นขึ้นลงในขณะที่คลื่นวิ่งในแนวอย่างนี้แนวการสั่นของอนุภาคที่เป็นตัวกลางเนี่ยมันตั้งฉากกับแนวคลื่อนอย่างนี้เรียกตามขวาง แต่ถ้าเราเอาสปริงมาแล้วเราบีบอัดอย่างนี้นะฮะสปริงก็จะสั่นอย่างนี้แล้วก็เพื่มไปเรื่อยๆการสั่นแบบนี้มันสั่นอยู่ในแนวขนานกับแนวที่เคลื่อนวิ่งอย่างนี้เรียกว่าคลื่นตามยาวเสียงนี่เป็นคลื่นตามยาวนะครับเป็นคลื่นตามยาวของความดันอากาศอ่านคลื่นของความดันอากาศอีกทีนะคะใช่เสียงที่ส่งผ่านอาจจะจากลาโพงหรือจากแหล่งกาเนิดอะไรก็ตามเนี่ย มันจะมีบางจุดที่อากาศเนี่ยมันมีความดันสูงก็จะเกิดคอมเพรสชันแล้วจุดที่อากาศเกิดความดันต่าก็จะคลายตัวแล้วก็จะมีบางจุดความดันสูงอย่างเงี้ยเป็นจังหวะแบบเนี้ย<อ>นี่แหละคือตัวตนของของเสียงคือความดันที่ส่งมาเป็นกรอนกรอนกอนกอนเป็นร ล, ล, ล, ลอกระลอกนั่นแหละซึ่งฟังดูแล้วเนี่ย มันรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทําไมหูของเราถึงไปได้ยินคลื่นนี้ได้มันแปลว่านอกจากตัวส่งที่มันมาจากการสั่นแล้วเนี่ยที่หูของเราก็ต้องมีอะไรที่รับมีตัวรับได้แล้วมันน่าทึ่งด้วยนะคือแม้เราจะพูดว่าเสียงเนี่ยคือคลื่นเป็นการส่งผ่านพลังงานแต่ฟังว่าคลื่นถ้าโดยทั่วไปนะฮะแสงกับเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยมีพลังงานต่ํากว่าแสงนะโดยโดยปกตเิเอาง่ายๆเลยนะ คนคุยกันเนี่ยสิบล้านคนค่ะเอาเสียงเหล่าเนี้ยมารวมกันเนี่ยยังมีพลังงานแบบพอๆกับแค่แบบแสงจากไฟฉายเล็กๆ อ, อันเดียวเท่านั้นเองคือพลังงานน้อยมากเสียงเนี่ยถ้าเทียบกับแสงนะเสียงพลังงานไม่ไม่เยอะเทา่าแต่กระนั้นหูเราก็รับได้เพราะเราวิวัฒนาการมาเพื่อรับมันมเพื่อตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนที่มันเกิดขึ้นในในสิ่งต่างๆแล้วมัน มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราก็วิวัฒนาการมารับมันได้เป็นอย่างดีมันน่าทึ่งนะเสียงนี่กลายเป็นปัจจัยสําคัญของการรับรู้โลกของของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างใช่แล้วสัตว์อื่นๆได้ยินเสียงเหมือนที่เราได้ยินไหมคะโหอันนี้ได้ยินเหมือนหรือไม่เนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนมนุษย์เนี่ยสามารถได้ยินเสียงเนี่ยด้วยคลื่นความถี่ประมาณาตั้งแต่20เฮิรต์นะฮะถึง 20,000 เฮิรต์20เฮิรต์แปลว่าอะไรแปลว่าเบาปะ อ่ายเฮิร์เนี่ยหมายถึงว่าความถี่ต่ำาคําว่าเฮิร์เนี่ยหมายถึง1รอบต่อ1วิค่ะย <1 v. S 3> ่สเฮิร์ก็คือ20รอบต่อ1นวินะไอ้อตรงนี้จะความถี่ต่ำก็จะเป็นเสียงทุม้มโอ้เสียงทุมท้มต่ำแล้วก็ถ้า 20,000 เฮิร์ก็คือความถี่สูงมากไอ้ที่เกินกว่า 20,000 ื่นเฮิร์เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ก็จะเรียกอัลตราโซนิกอัลตราซาวด์นะครับต่ากว่านั้นก็เรียกอินฟราโซนิกหรืออินฟราซาวด์ แต่กระนั้นก็ตามนะผมไปเทสมามันเป็นความจริงที่น่าเศร้ายิ่งเราอายุมากขึ้นจาก20ถึง 20, 20,000 ม, มันก็จะค่อยๆแคบลงโดยเฉพาะไอ้ส่วน 20,000 เนี่ยที่เป็นความถี่สูงเนี่ยอันนี้จะจะวิ่งจะวิ่งเข้ามาเร็วมากเลยผมนี่บอร์ดไปเยอะเลยอายุเท่านี้แล้วลองไปเทสดูมันมีเว็บให้ลองเขาก็จะดูว่าเราเราเราหูอ่ะมันค่อยๆประสาทมันค่อยๆตายไปอะฮตามสมรรถภาพในการฟังของเรามันจะต่ำลงมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆ นะครับแต่เป็นปกติของมนุษย์นะเป็นปกติของมนุษย์ไม่ต้องรู้สึกว่าเราเราแย่แต่อย่างใดทุกวันนี้ก็ไอความถี่สูงสูงอ่ะบางทีให้เด็กๆฟังอ่ะได้ยินเว้ยกาบอกยังได้ยินผมไม่ได้ยินแล้วอ่ะเงียบเลยอืแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเสียงอื่นๆที่มากกว่าความสามารถในการฟังของเราอยู่แหละเพียงแต่เราไม่ได้ยินนี่อย่างพวกสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยเช่นพวกโลมาหรือคขังคาวผู้นี้ก็จะใช้คลื่นเสียงในการมองโลกครับ มองโลกเหรอคะด้วยเสียงเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยว่ากันนะแต่เรากลับมาคุยเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานของเสียงก่อนอืต้องฟังว่าเสียงเนี่ยทุกวันนี้เราพูดคุยกันเนี่ยเสียงมันวิ่งผ่านอะไรอากาศใช่ไหมอ่ะแล้วมันวิ่งผ่านของแข็งได้ไหมวิ่งผ่านของเหลวได้ไหมเออได้ไหมในน้ําเราได้ยินเสียงไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะคิดว่าได้นะได้แล้วไม่ใช่แค่ได้นะอืเสียงเนี่ย ยิ่งอยู่ในตัวกลางที่แบบน้ําหรือของแข็งนะซึ่งมันหนาแน่นนะครับมันวิ่งเร็วกว่าในอากาศแปลว่าได้ยินเร็วกว่าคนที่อยู่ในอากาศอย่างนี้เหรอคะถ้ามีแหล่งกําเนิดเสียงสักมีระเบิดสักอันนึงตู้มขึ้นมาเนี่ยร อ, อเสียงจากในอากาศวิ่งมาเนี่ยช้ากว่าช้ากว่าผ่านพื้นดินหรือของแข็งแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังถ่ายทอดเสียงได้ดีกว่าอากาศด้วยคือไม่ค่อยตกหล่นดังนั้นเนี่ย เวลาเราเราเราได้ยินเสียงเนี่ยนะฮะความเร็วเสียงที่ได้ยินในอากาศมันจะอยู่ที่ที่อุณหภูมิปกติบ้านเรานะฮะอยู่ที่ประมาณ340เมตรต่อวินาทีตัวเลขเนี้ยก็กลางๆซึ่งเอออันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงมันน่าทึ่งมาก ค, คือสมัยผมเรียนปอตีเนี่ยมันมีอยู่วิชาหนึ่งชื่อวิชา solid state ฟิสิกเออชิองสถานะของแข็ง เขาสามารถคำนวณได้ด้วยนะว่าเสียงวิ right. okay. s <S oh. really mm ่ง hmm. ผ่านตัวกลางนั้นตัวกลางเนี้มันควรจะมีความเร็วประมาณเท่าไหร่แล้วมันออกมาตรงด้วยซึ่งผมอะนั่งเรียนกับคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นจนมาเข้าใจตอนมันได้เล่ออกมาแล้วก็รู้สึกทึ่งว่าโอ้โหมันเจ๋งมากเลยที่จริงคือมันบอกได้เลยว่าสถานะไหนเนี่ยคำนวณออกมาได้ประมาประมาณนี้มันจะได้ความเร็วประมาณเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างสอดคล้องกับการทดลองเจ๋งมากเลยทีสจริง แต่ ว, ว่าตัวกลางเนี่ยส่งผลต่อการได้ยินส่งผลต่อความเร็วเสียงมากมซึ่งมไม่ได้ขึ้นกับความดังและความถี่นะมหมายความว่าต่อให้ผมจะทําเสียงเฮิรลงมาหรือกรีดออกมาเนี่ยนะถ้าอากาศมีอุณหภูมิเท่ากันความหนาแน่นเท่ากันอย่างเงี้ยเสียงก็วิ่งด้วยความเร็วเท่ากันความเร็วเสียงขึ้นกับตัวกลางใช่ที่มันวิ่งในของแข็งกับของเหลวเร็วเพราะว่ามันหนาแน่นเนาะการสั่นหรือการบีบอัดเนี่ย โมเลกุลมันส่งผลต่อกันได้ง่ายกว่า อ, อากาศเนี่ยมันอยู่กันจางกว่า<ช>กว่ามันจะบีบอัดถึงอีกคนนึงอ่ะโอ้โหกว่าจะถึงเพื่อนอีกคนวิ่งนานเลยออนนี้อยู่ชิดกันอ่ะมันก็เฮ้ยรีบส่งไปดิไปดิไปดิมันก็ไปเร็วกว่าไปง่ายกว่าอื ม, อ ม, อมแล้วเราในอันไหนดีที่สุดคะต้องแบบของแข็งใช่แล้วก็เสียงเนี่ยนะฮะความน่าสนใจคือความถี่ยิ่งเสียงความถี่สูงเนาะเสียงก็ยิ่งแหลมค่ะแล้วยิ่งเสียงความถี่ต่ําเสียงก็ยิ่งทุม แน่นอนมันเป็นคลื่นมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานไประหว่างที่มันวิ่ง ค, ความที่สูงหรือความที่ต่ำสูญเสียพลังงานง่ายกว่ากันครับโ oh. ถามสดมั่งมีการเอาคืนเกิดขึ้นค่ะคิดว่าถ้าถ้าดูจากภาพเมื่อกี้เนี่ยมีข้อดูมีหลักการ <c oughs> ไหมคะมาละมาละามาจากภาพเมื่อกี้ <c oughs> ถ้าแบบถ้าแบบห่างๆกันหมายถึงความทีต่าถูกไหมคะความถีต่ำคือระหว่างบีบอัดไปยังบีบอัดเนี่ย มันค่อนข้างห่างอ่าแต่ความถี่สูงคือบีบอัดบีบอัดบีบอัดรัวๆเลยอ่ะอความถี่สูงเดาเดาว่าน่าจะแบบเพราะความถี่แบบต่ําที่แบบห่างๆกันไหมคะเพราะว่ามันน่าจะแบบไม่มีแรงอื่นๆช่วยผลักอะไรงนี้ปะอ่าอันนี้คําตอบคือตัวที่ความถี่ต่ําจะสูญเสียพลังงานง่ายใช่ไห ม, มจริงๆแล้วความถี่ต่ำเนี่ยสูญเสียพลังงานยากอ๋อคะทำไมแล้วเอาง่ายๆนะลองนึกภาพดูบ้านผมเนี่ย บ้านผมที่ที่ต่างจังหวัดนะอยู่อยู่ค่อนข้างใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึง่งผมไม่ได้ยินเพลงอะไรเลยสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงเบสมันจะมีแต่เสียงเออจริงจริ ง, รงเสียงเบสอะไปไกลมากเลยหรืออย่างไอตัวบูดบูดที่ที่เหมือนตามปักพาคารอะไรที่ที่จะต้องส่งไปบอกเรืออะไรเงี้ยที่มันปัน้นออกไปเราไปหาฟังนะเป็นความถี่ต่า เข้าใจเลยค่ะแปลว่าเสียงที่ทุ้มหรือความถี่ที่ต่ำเนี่ยจะเดินทางไปได้ไกลกว่าไปได้ไกลใช่แล้วก็เสียงเนี่ยผมว่ามันมันเป็นอะไรที่มีความลึกซึ้งในเรื่องความถี่เนี่ยเคยได้ยินเสียงไซเรนรถพยาบาลไหมที่มันที่บางทีเออบันบานหูผมได้ยินปุ๊บถ้าอยู่บนท้องถนนคือไม่สบายใจนะก็เนี่ยแต่ว่าตอนที่รถไซเรนวิ่งเข้าหาเราอ่ะเสียงมันจะแหลมแต่พอหาวไป้คือเสียงมันจะทุ้มลง ความถี่ของเสียงหรือจริงๆความถี่คลื่นเนี่ยมันขึ้นกับการเคลื่อนไหวด้วยนะอคือการรับรู้ความถี่เนี่ยมันขึ้นกับการเคลื่อนไหวของของแหล่งกําเนิดและ <c oughs> คนรับด้วย <c oughs> ถ้าเราวิ่งเข้าหากันคือการวิ่งเข้าหากันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนได้ยินวิ่งเข้าหาหรือแหล่งกําเนิดวิ่งเข้าหาก็ตาม <c oughs> นะฮะคือเอาสุดท้ายแล้วมันมันวิ่งเข้าหาอย่างเงี้ยอเราจะได้ยินความถี่สูงขึ้นมันจะแหลมแต่ถ้าวิ่งห่างออกจากกันเนี่ยความถี่จะต่ําลงแปลกไหม เป็นเป็นเพราะมันสูญเสียหรือว่าเป็นเพราะอะไรคะเอางี้ก่อนปรากฏการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าดั p เบิล f อฟเฟกต์นะครับเกิดกับคลื่นทุกอย่างนั่นแหล ะ, ะนะปรากฏการณ์จริงๆมันเข้าใจง่ายมากเลยต้องฟางลองจินตนาการอย่างนี้ถึงถ้าเราเอานิ้วเนี่ยไปจุ่มน้ําแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันกระเพื่อมออกมาเป็นวงด้วยความถี่สม่ําเสมอมากเลยแต่มีใครสักคนวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาไอการกระทุ่มน้ําของผมมีจริงโจ้น้ําตัวหนึ่งแบบ อะไรวะเนี่ยสนใจใช่ป่ะแทนที่มันจะได้ความถี่แบบตึงตึงตึงตัวมันอ่ะก็จะชนหน้าคลื่นตึงตึงตึงตึงตึงตัวมากเลยถ้าก็ว่าจิงโจ้น้ำเนี่ยเห็นความถี่มากขึ้นเพราะมันวิ่งเข้าหาไงในทานองตรงข้ามถ้ามันวิ่งหนีออกไปมันก็จะเห็นความถี่ที่เนตึงตึงตึงกว่าคลื่นจะวิ่งไปถึงมันมันก็วิ่งหนีไปพร้อมๆกันมันก็เห็นความถี่ตึงตึงตึงดังนั้นความถี่เสียงของแหล่งกําเนิดและผู้สังเกตที่วิ่งหาออกจากกันก็จะต่ําลง เมืกวดวิชาเลยวันเนี้แต่ว่าพอยกตัวอย่างเราก็เห็นภาพขึ้นค่ะเข้าใจได้มากขึ้นใช่ไหมฮะก็ประมาณนี้เรื่องของเสียงแต่เอาละวันนี้เนี่ยผมว่าเสียงที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราจริงๆเนี่ยคือเรื่องของตอนเราไปชมมหกรรมศพซึ่งเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นโรงภาพยนตร์หรือไปชมดนตรีออร์เคสตราที่อยู่ในห้องปิดอะไรแบบเนี้ยน้องฟางว่าห้องปิดแบบเนี้ควรจะเกิดเสียง สะท้อนมากหรือน้อยอ๋จริงๆเราเข้าใจค่ะเดี๋ยวๆทีนี้นะขอบิ้วก่อนขอบิ้วก่อนนะคือเสียงมันเป็นคลื่นดังนั้นคลื่นมันจะต้องมีการสะท้อนได้ถูกป่ะค่าสะท้อนมุมตักระทบเท่ากับมุมสะท้อนอะไรก็ว่าไปการสะท้อนของเสียงหรือเสียงที่มันสะท้อนมาเนี่ยเขาก็เรียกเอ็โคค่ะใช่ไหมครับทีนี้เอ็กโคเนี่ยก็มันจะมากจะน้อยมันขึ้นกับธรรมชาติของของผนังนะถ้าผนังเนี่ยมันเรียบ เรียบเลยนะแล้วมันก็แข็งวิตจิตคือแข็งเลยเสียงสะท้อนเยอะมากนะคือพอเรียบเนี่ยมันก็สะท้อนชัดเจนมันก็คือเคลื่อนมันก็ตกกระทบสะท้อนก็ชัดเจนแต่ถ้าผนังมันขรุขระเนี่ยบางทีมันสะท้อนแล้วมันกระจายออกไปเพราะว่าผนังมันขรุขระเนาะแล้วยิ่งแล้วยิ่งผนังมันถ้ามันไม่แข็งคือซอฟต์นะฮะมันก็ยิ่งดูดซับเสียงไว้ได้ดีการสะท้อนเนี่ยก็จะต่ํา เ <Me an> มื่อเทียบกับผนังแข็งอันนี้ส่งผลต่อการออกแบบพวกห้องเพื่อใช้ในการทำอะไรก็ตามที่เราต้องการ But, <ม>แต่กลับมาที่คำถา ม, มต้อง่างคิดว่าโรงมหาสพ<ม>ที่เราเอาไว้ชมดนตรีหรือโรงหนังหรืออะไรก็ตามเนี่ยควรจะมีเสียงสะท้อนมากหรือน้อยฟังฟังสังเกตจากฟังนั่งในห้องประชุมเด็กมาตรฐานห้องมันแคบมากค่ะหมายวว่าเปห้องเล็กสาหรับคนไม่กี่คน<อ>แล้วก็พบว่า โคตรกล้องเลยเพราะว่าถ้าฟังจากที่พี่ป่งแปงพูดเมื่อกี้ก็คือมันเป็นกระจกที่เป็นของแข็งแล้วเรียบอ่ารอบสี่ด้านเลยเดี๋ยวนะห้องแบบเนี้ยจริงๆเห็นได้จากที่ไหนอีกลุ้มไหมห้องน้ําเออตอนอาบน้ําลองร้องเพลงดูนะฮะอ่ามันจะกล้องอืมเป็นกระเบื้องสมมตินะก็เป็นของแข็งที่เรียบอะไรอย่างนี้นะคะแต่เวลาเราไปอยู่ในห้องแบบซ้อมดนตรีหรือว่าในในแบบว่าโรงภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยเราจะสังเกตเขาจะบุ้ดด้วยอะไรที่มันนิ่มๆจริงด้วย อเออก็เลยรู้สึกว่าความกว้างของห้องแล้วก็สิ่งที่มันบุผนังน่าจะทำให้มันไม่สะท้อนหรือเปล่าคะ่ะอ่าจริงๆก็ถือว่าถูกนะแต่อาจจะอาจจะสักครึ่งหนึ่งอืมคือเนี่ยมันเป็นเรื่องซับซ้อนมากเสียงคือมันมาซับซ้อนเพราะมันเกี่ยวกับเพอร์เซพชันของมนุษย์ค่ะคือคือหมายความว่ามนุษย์เราจะรู้สึกดีเมื่อได้รับเสียงแบบไหนอะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเลยอืม คือถ้าเราทําให้ห้องห้องหนึ่งนะฮะไม่มีเสียงสะท้อนเลยไม่มีเอ็กโคอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือถ้าเราฟังดนตรีในห้องนั้ น, น่ะมันจะดูไร้ชีวิตชีวาสุดๆมันจะดูแบบดูไม่แห้ง <ๆ S 2> มันจะแบบใช่มันจะไม่มันจะไม่ก้องกระหึ่มมันจะแบบระเบิดตุ้มแล้วก็หายไปเลยมันไม่สะท้อนอกลายเป็นว่าทําไม่สะท้อนเลยนะก็มไม่ดีอแต่ถ้าสะท้อนมากๆดูหนังนะสมมติดูหนังสักเรื่องนึง Hello。Hello。Hello. hello, hello, hello. ไ, มไม่ได้ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอดังนั้นการออกแบบให้เสียงสะท้อนคือกล้องอย่างเหมาะส ม, มอ่ะให้กำลังดีอ่ะคื อ, คอดีที่สุดแปลว่าที่ปองแปงกำลังจะบอกว่าในโลงหนังหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่าเขาทําให้มันไม่สะท้อนมันต้องมีบางส่วนสะท้อนมันถึงจะก้องอมันถึงจะรู้สึกเต็มมันถึงจะอิ่ ม, มรู้สึกมีอะไรอยู่แบบมีความก้องกลงวาน ต, ต้องอยู่ยระดับหนึงอะแต่เป็นการสะท้อนที่ออกแบบมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคใช่ซึ่งวิศวกรที่ออกแบบพวกเนี้ยเก่งมากเลยนะ hmm. คือเขาต้องออกแบบบางที่ถ้าไปดูมาหารสพ บ, บางที่นะฮะจะเห็นว่ามีคล้ายๆกับแผ่นอะไรไม่รู้อยู่ข้างบน hmm. ของคนดูคนอะไรพวกเนี้ยตอนแรกผมก็งงนะมั น, มนอะไรมันสวยอย่างเดียว hmm. หรือเปล่าเขาเปล่า ม, มันเป็นรีเฟล็กให้เสียงเนี่ยมันเกิดความเต็มอิ่มกล้องกัางวานคุณภาพของเสียงในเชิงการรับรู้ของเราถึงจะรู้สึก เพราะจริงๆอะไรแบบนั้นโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วดังนั้นเรื่องของเสียงซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยวันนี้ให้ให้ให้ละเอียดเลยนะแต่ว่าเรื่องดนตรีเนี่ยจะต้องยกไปครั้งถัดไปเลยเพราะว่าการรับรู้ของมนุษย์มันมีความซับซ้อนมากพอมาพูดเรื่องของความถี่อันนี้มันเป็นฟิสิกส์แต่พอไปพูดเรื่องของ Pitch ออกเท e เรื่องของ natural frequency การความถีธรรมชาติหรือเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะเรโซ n นนการกำทอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเพราะค่ะ วิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์มันพออธิบายได้นะว่าโน้ตแบบนี้เล่นกับตัวเนี้ยฟังแล้วมันไม่แปลงมันเพราะอะไรมันมีฮาร์โมนีโอตรงเนี้ยเออเอเออแต่อันนั้นไว้ไว้ก่อนน่าฟังไหมน่าฟังมากอทีนี้เมื่อกี้มีคําถามหนึ่งเมื่อกี้พี่ปองแปงบอกว่ามนุษย์หูของมนุษย์เราจะฟังได้ตั้งแต่20จนถึง2 0,000 ใช่เฮิร์ตแล้วเมื่อกี้มีการพูดถึงคําว่าอัลตราเสาร์อ๋อเกิน 20,000 ขึ้นไปใช่ซึ่งซึ่งเราได้ยินคำเนี้ยในการแบบ รักษาหรือดูสแกนดูข้างในท้องดูอะไรดูข้างในลูกในท้องของแม่สแกนก็ซ า, า, า, าวนี้มันเกี่ยวกับเสียงยังไงเออผมอ่ะพูดถึงเรื่องนี้นะบางทีเจอเขาบอกว่าเออผู้หญิงท่านหนึ่งเขาบอกว่า เ, ออเดี๋ยวต้องไปดูมีน้องอทำไมต้องเรียกน้อง <c oughs> คือไม่คือผมอ่ะสับสนว่าเขามีน้องหรือมีลูก แล้วมันยิ่งงงไปอีกเพราะต้องกลับไปเลี้ยงน้องหรือเลี้ยงนอน น, อนนอนน่ะนอนหนูอะ่ะบางทีเป็นหมาเป็นแมวเป็นโอ้คือเรา้อยากว่าหมายถึงอะไรใช่ต้องต้องต้องตรงตร ง, ตรงนี้เพราะก็เตื่อตกเวลาได้ยินน้องเนี่ยเริ่มเ่ม ง, งงน้องจริงเปล่าแต่เอาเป็นว่าเอาตราชาวะ่ะเป็นวิธีการกลับมาเข้าเรื่องอนด้ดีมาก ค, คือการดูว่าสมมุติว่าตั้งครันอยู่แล้วมีลูกอืมีลูกนะฮะมีลูกนะฮะ เราอยากรู้ว่าลูกเนี่ยมีธรรมชาติภายในเป็นอย่างไรเป็นไรเขาใช้อัลตราซาวด์ถามว่าทําไมไม่ใช้อย่างอื่นทําไมไม่ใช้เอ็กซเรย์มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อเด็กไหมคะคืออัลตราซาวด์มันเป็นการสั่นสะเทือนนะฮะซึ่งมันแทบจะไม่ส่งผลอะไรมันไม่มันมันปลอดภัยมากกว่าเอ็กซเรย์มากๆดังนั้นมันเป็นอะไรที่ที่สุดยอดมากๆมันเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมากๆมันใช้คลื่นเสียงหรอคลื่นเสียงความถี่สูงมากๆและพอส่งเข้าไปผ่านร่างกายเรามันก็เกิดการหักเหหลายครั้งมาก แล้วก็สะท้อนออกมาหลายครั้งมากไอ้ความที่หลายครั้งเนี่ยมันทําให้เห็นเลเยอร์ต่างๆได้ตรงตัวรับตรงหัวอัลตราซาวด์ hmm. และอัลตราซาวด์เนี่ยไม่ได้ใช้แค่การทางการแพทย์ดูน้ดูเด็กหรือว่าดูออโรคหรือดูก้อนดูอะไรพวกนี้อัลตราซาวด์ hmm. นี่ยังเป็นประโยชน์ในการดูโครงสร้างทางวิศวกรรมบางอย่างว่าเหล็กมันมี ม, ม, ม, ม, มีมีหักมีอะไรได้ด้วยนะ oh. แต่มีอยู่คําถามนึงคิดว่าตอนอัลตราซาวด์เนี่ย mm hmm. ผมเคยไปอัลตราซาวด์เหมือนกัน mm hmm. เขาจะเอาคล้ายๆกับเป็น คล้ายๆเป็นเจลเป็นอะไรอ่ะมาทามาท า, มทาแล้วแบบมันจะเย็นแบบเย็นจนรู้สึกไม่สบายอ่ะแล้วก็เอามาถูงเจลเนี่เอาไว้ทำอะไรลดการเสียดสีอะไรอย่างงี้เฮ้ยถือว่าใกล้เคียงนะคือเนี่ยปกติเนี่ยหัวหัวปล่อยคลื่นอัลตราซาวน์เนี่ยถ้าเอามาโปะกับพุงผมเนี่ย ม, มันไม่แนบหรอกมันไม่แนบพอดีอแล้วพอไม่แนบหมายความว่าอะไรมันจะมีอากาศเป็นเป็นเลเยอร์เล็กๆขึ้น แล้วเนื่องจากเสียงเนี่ยมันผ่านอากาศได้ไม่ดีอย่างที่เราพูดไปในตอนแรก oh. การเอาน้ําซึ่งน้ําเนี่ยมันแนบชิดกับทุกอย่างใช่ไหมคือเจลมันเป็นของเหลวเนาะมันก็จะแนบชิดกับทุกอย่างแล้วมันก็ทําให้การลอสของเสียงเอาโทรศัพท์มันลดลง oh. แต่แน่นอนเจลเขาก็ต้องวิจัยนะครับ <Huh. S 1> ไม่ใช่เจลอะไรก็ได้ <Huh. S 1> เจลเนี่ยจะต้องแบบทาไปแล้วต้องไม่แห้ไม่ได้ทาไปแป๊บเดียวแห้งเลยอย่างเงี้ยปุ๊บ ป, ปเอาทาใหม่อีกละแล้วก็เช็ดเนี่ยต้องเช็ดออกง่ายหน่อยไม่ใช่แบบ เช็ดอยู่5วันเดียวกันลบรอยสักอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอาตาซาวแล้วนะจะเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันมันมันมีสาเหตุหรือพื้นฐานวางอยู่บนฟิสิกส์หมดเลยอืเจ๋งมากเลยค่ะแต่ว่าอันเงี้ยมันออถ้าเป็นของเหลวเนี่ยเสียงจะจ้เคลื่อนที่ได้ดีได้ดใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือการแพทย์อะไรต่างต่าง น, นะแล้วในที่ที่ถ้าไม่น้องนับเรื่องว่าในอากาศนะแต่ถ้าไม่มีอากาศเลยแปลว่าเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนะคะอ๋อถูกต้องเพราะว่า เสียงนี่เป็นคลื่นของความดันของตัวกลางอากาศมันอัดกันบีบอัดต่อเนื่องไปจนกระทั่งได้ยินเนาะแต่ในที่ที่ไม่มีอากาศไม่มีอะไรบีบอัดก็ไม่มีเสียงดังนั้นในสุญญากาศเนี่ยเสียงไม่สามารถวิ่นผ่านได้ถ้ายานอวกาศระเบิดแล้วเราอยู่อ ย, อยานอีกลํานึงแล้วมองเห็นเนี่ย ม, มันจะเป็นการระเบิดที่รุนแรงมากเลยนะแต่ไม่ได้ยินโอ้เออ a มันจะเงียบค่ะ แต่ก็จะเห็นการระเบิดเกิดใช่แสงมันแสงมันยังมาอยู่แต่เสียงเนี่ยไม่ไม่มาแต่หนังหลายๆเรื่องสมัยก่อนเนี่ยเขาจําเป็นต้องใส่เพราะถ้าระเบิดมันงี้แับเนี่ยมันไม่เราอารมณ์มนุษย์มนุษย์นะซับซ้อนมันต้องใส่ความไม่จริงบางอย่างลงไปแต่หลังๆเนี่ยผมเห็นหลายเรื่องแล้วนะระเบิดในอวกาศไม่มีเสียงนะเริ่มเริ่มจริงขึ้นเริ่มสมจริงขึ้นโอเคแล้วเสียงมันมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกไหมคะพี่บงไปโหมีฮะจริงๆมีเยอะเลยนะก็ ในเชิงเทคโนโลยีเนาะอย่างเช่นเรือหาปลาบางทีก็จะใช้การปล่อยโซน่าซึ่งก็เป็นคลื่นเสียงเนี่ยลงไปในน้ําพอมันไปสะท้อนกับฝูงปลาก็พอจะกะได้ว่าฝูงปลาอยู่แถวไหน<อ>จริงๆพวก<อ>พวกเรือเรือรบอะ่ะก็ใช้โซน่าเนี่ยหาตําแหน่งของของพวกปีประวุธหาเรือดําน้ำอะไรพวกนี้นะแต่อันนั้นค่อนข้างยากเข้าไปอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความลึกของมหาสมุทรเนี่ยยิ่งลึกอุณหภูมิก็เปลี่ยน ความเร็วของเสียงก็เปลี่ยนแล้วพอความเร็วของคลื่นเปลี่ยนจะเกิดการหักเหอันนี้ก็ซับซ้อนครับอีกอจริงๆโลกใต้มาหาสมุทรนี้แบบมันลึกลับแล้วก็ใช่ น, น, น, น่าสนใจนะฮะค่ะใช่ก็โซน่าเฮ้ยแต่จริงๆมีสัตว์อยู่นะที่มันใช้คลื่นเสียงเนี่ยแบบโซน่าเลยแล้วมันวิวัฒนาการขึ้นมาก่อนมนุษย์จะสร้างโซน่าได้ <c oughs> อย่างเช่นทั่วทวพวกโลมานะฮะ <c oughs> พวกอย่างเงี้ยเ อ, อ่อหรือหรือออย่างข้างคาวอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ปล่อยปล่อยเสียงออกไปเนาะ เพื่อตกกระทบกับสิ่งที่มันต้องการเห็นในโลกตอนกลางคืนอ๋อคือด้วยด้วยตาเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเพราะมันมืดมันก็เลยใช้คลื่นคลื่นเสียงนี้หรอคะใช่ฮะทีนี้ผมใช้คําว่ามันมองเห็นด้วยมองโลกด้วยเสียงเพราะอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะมันมีคํากล่าวของคุณไนเจลเขาเป็นนักปรัชญานะเขากล่าวว่าการเป็นข้างคาวเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงคือคําถามนี่มันเป็นปรัชญาในเชิงที่ว่าการรับรู้ของมนุษย์อ่ะมันผ่าน ศาสตรรับสัมผัสที่<ม>จำเพาะเจาะจงมากมพอเปลี่ยนไปเป็นสัตว์อย่างหนึ่งอะเพอร์เซพชันการรับรู้โลกหรือแม้แต่ถ้ามนุษย์ต้องไปอยู่ในร่างข้างขาวเนี่ยกระบวนการคิดปรัชญาคุณค่าความดีงามทุกอย่างมันคงจะเปลี่ยนไปจนหมดแล้วมันค่อน<ม>ข้างน่าทึ่งมากที่<ม>เราคงจินตนาการไม่ออกจนกว่าเราจะไปอยู่ในร่างของของข้างข่าวมันคล้ายๆกับการมานั่งดูรูปตามคําบอกเล่ากับการไปดูในสถานที่จริงอะไรแบบนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปรัชญา นะแต่จริงๆเออพูดถึงข้างขาวะนะน้องฟังการหากินตอนกลางคืนเนี่ยทำให้มันต้องวิพัฒนาการระบบการปล่อยเสียงที่เรียกว่าเอ็กโคโลเคชันคือปล่อยเสียงออกไปรับเสียงสะท้อนเพื่อดูตําแหน่งของเหยื่อของสิ่งต่างๆใช่ไหมแล้วทําไมต้องหากินกลางคืนทำไมไม่หากินกลางวันอย่างนี้ใช่ไหมอาจจะเพราะว่าสัตว์จะเป็นอาหารของมันอะแบบอยู่ตอนกลางคืนป่ะคะจริงๆคื อ, อก็ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วกลางวันเนี่ยเหมือนกับตลาดตลาดแมส อ๋อแข่งเยอะคู่แข่งเยอะอันตรายเยอะมาแบบบลูโอเชียนดีกว่าไปบลูโอเชียนกลางคืนคือเป็นนิชมาร์เก็ตแล้วตอนที่ข้างข่าวเนี่ยเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงด้วนมยุคแรกๆที่วิวัฒนาการขึ้นมานับตั้งแต่ไดโนเสาร์ยังยังอยู่นะดังนั้นมันจะไปอยู่กลางวันกับไดโนเสาร์เนี่ยเสี่ยงมากก็อยู่กลางคืนก็มีความปลอดภัยสูงกว่าดังนั้นเขาจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาโดยธรรมชาตินะไม่ได้มีใครไปออกแบบมันแต่ธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาโดยที่ มันปล่อยเสียงออกมาได้อย่างน่าทึ่งทีนี้มันน่าทึ่งตรงที่ว่าผมมองว่าในมุมนึงเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่ามันเหมือนวิศวกรรมที่ล้ำมากเลยนะคั้งคาวซะจนกระทั่งอันนี้เอามาจากหนังสือของคุณวิชาน ด, ดอลกินชื่อ The Blind Watchmaker ค่ะเขากล่าวไว้ว่าคั้งคาวเนี่ยปล่อยเสียงออกไปแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนกลับมามปัญหาใหญ่ของวิธีนี้คืออะไรรู้มเสียงสะท้อนมันเบามาก น้องฟางลองตะโกนใส่กําแพงนะให้ดังสุดๆอะแล้วรอฟังเสียงสะท้อนดิเสียงสะท้อนมันแทบไม่มีอะแทบมไม่ได้ยินมันได้ยินน้อยมาก ะ, ะนึกนึก อ, ออกใช่ไหอแล้วข้างข่าวจะตรวจจับเสียงสะท้อนได้ยังไงเนี่เป็นปัญหาถ้าเราต้องออกแบบอะไรบางอย่างเราจะทํำยังไงก็ต้องออกแบบหูที่แบบโคตมีพลังในการรับเสียงหมายถึงว่าประสาทสัมผัสที่ไวมากใช่ไห ม, มเขาก็เขียนไว้แบบนั้นว่าบางทีเราอาจจะคิดว่างั้นก็ ประสาทหูข้งเขาก็ไวสุดๆไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นประสาทหูของมันเนี่ยจะพังจากเสียงอื่นจนหมดอ๋อก็จะกลายเป็นได้ยินไปหมดเลยใช่คือเสียงสะท้อนที่เบามากๆได้ยินดังนั้นเสียงอื่นที่ดังก่อนนั้นซึ่งเต็มไปหมดเนี่ยจะทําให้หูพังเลยนะดังนั้นวิธีเนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่อทําไงดีบางคนก็บอกว่างั้นข้างเขาองตะโกนดังมากตะโกนแบบกอรซิลล่าออกมาอย่าเงี้ยแต่นั่นก็เกิดปัญหา เพราะเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นอย่างที่บอกนะครับแล้วมันแผ่ออกไปโดยรอบทีนี้ถ้ามันผ่านร่างกายโดยตรงขึ้นมาน้องฟางเวลาพูดได้ยินเสียงตัวเองปะเวลาพูดได้ยินเสียงได้ยินค่ะได้ยินสิเราพูดก็ต้องได้ยินเสียงตัวเองอถ้าผมตะโกนดังผมก็ได้ยินเสียงตัวเองดังดังนั้นถ้าข้างข่าวเลือกที่จะตะโกนดังจนมากเกินไปมันผ่านเข้ามาผ่านของแข็งกระดูกลามอะไรเข้าไป อ, ะอ่ะพราะเผอประสาทหูก็พังอีกเพราะ<อ>ดังเกินไปอืเห็นไหมว่ามันมันน่าทึ่งมากที่ธรรมชาตินี หาคำตอบบางอย่างให้กับข้างข่าวได้สุดท้ายแล้วมันคือใช้วิธีไหนคะอยากรู้ไหมอยากรู้คือคกลไกในร่างกายข้างข่าวนะก่อนที่มันจะเปล่งเสียงนะกำลังจะเปล่งเสียงน ะ, ะยังไม่เป่งน ะ, ะ, ะจะเป่งละกล้ามเนื้อในหูส่วนกลางของมันจะหดแล้วการหดเนี้ยจะทำให้ระบบของหูส่วนกลางกับหูส่วนในแยกขาดจากกันโอ้ทีนี้มันก็จะเปล่งเสียงออกมาดังเลยแต่คราวเนี้ย เนื่องจากมันแยกออกจากกันเนี่ยเสียงที่จะเข้าไปทําลายหูส่วนในแทบจะผอ่อนไปไม่ได้เลยแล้วพอพอมันแยกออกจากกันปุ๊บใช่ไหมปล่อยเสียงออกไปปุ๊บนะมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมเร็วมากอ๋อเหมือนแบบมิ้วเสียงด้วยหูแป๊บหนึ่งอ๋อแล้วมันก็จะกลับมาโอ้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในชั่วเซี่ยววินาทีแบบเร็วมากๆนะครับคือที่ผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่เรารู้สึกว่าดูธรรมดาธรรมดาอย่างทั้งข่าวมัน มันเหมือนมีวิศวกรรมบางอย่างอันลึกซึ้งซับซ้อนแยบยนซุกซ่อนอยู่ในนั้นใช่สนุกมากเลยค่ะฟังรู้สึกว่าพอเราพูดคําว่าเสียงแล้วใช้แว่นของมนุษย์ในการมองเนี่ยเรารู้สึกว่าตัเสียงก็คือเสียงไม่ได้หนักซับซ้อนอพอใช้แว่นของฟิสิกส์มองเราเห็นเสียงในรูปของคลื่นเสียงคําอธิบายที่ชัดเจนแต่พอเข้าไปผสมแว่นของค้างคาวเราก็มองเสียงเป็นอีกโลกใบนึงเลยทีเดียวอย่างเงี้ยเห<ล>มือน พอเราเปลี่ยนบทบาทแล้วก็เปลี่ยนแว่นที่เราสวมเข้าไปเราก็สามารถเข้าใจเรื่องนั้นในอีอกมิติหนึ่งในมิติใหม่ๆที่เราอาจจะเคยมองข้ามมันไปด้วยซ้าอะไรเงี้ยสนุกมากเลยค่ะโอ้ยจริงๆ <c oughs> นี่เดี๋ยวนะผมยังไม่ได้พูดถึงการแทรกสอดของเสียงนะซึ่งมันจะมีเรื่องของบีดเรื่องอะไรพวกนี้อย่างที่บอกไอ้พวกนี้ยผมผมค่อนข้างลังเลว่ามันมันจะเยอะไปก็เลยเก็บก้อนอื่นๆเนี้ยไปเล่าในฟิสิกส์ของดนตรีซึ่งผมว่ามันน่าจะ น่าจะกลมเป็นก้อนเดียวมากกว่าแล้วก็ขยายเกินไปกว่าเสียงหน่อยเพราะมันเกี่ยวกับความรับรู้ของมนุษย์ดีเลยค่ะ <c oughs> ฟังฟังเคยเรียนดนตรีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยเดี๋ยวฟังว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกเดี๋ยวเราลองมาคุยกัน ขอขอะคะอมเมนต์ด้ค่ะ <laughs> เ <laughs> <okay. S 2> รียกเรียกคอมเมนต์โอเคได้ค่ะก็ใครที่ฟังตอนนี้เราชอบนะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครป์นะคะถ้ากดแล้วก็ชวนเพื่อนกดอีกนะคะจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ของใดๆในโลกโลนฟิสิกส์ค่ะแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในทุกๆพอดแคสต์เพลเยอร์รวมถึงโซเชียลมีเดียอย่าง Tik t o ็อตอนนี้ก็มีเดอะสแตนดาร์ดพอดแคแล้วไปกด Follow ไปกดตามกันได้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันมีเพลงลูกเสือนะว่า wow. ฉันมีสัญญาณซูเปอร์โซนิกมีป่ะมีคําว่าซูเปอร์โซนิกป่ะนี่เพลงลูกเสือเพลงลูกเสือจริงๆไม่คอยหลบดีดยามเมื่อมองไม่เห็นฉันเป็นข้างขาวฉันเป็นข้างขาวน้องฟังอัดลงทิกต็อเลยฉันเป็นข้างขาวฉันนอนกลางวันเชื่อดิไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเนาะนี่เธออย่าตกใจคนอื่นเขาตกใจเธออยู่มันเป็นเพลงลูกเสือจริงๆที่มันร้องว่า ฉันเป็นข้างขาวฉันเป็นข้างขาวฉันเป็นข้างขาวฉันนอนกลางวันแล้วก็บอกว่าฉันเป็นนกแต่ฉันมีหูฉันเป็นหนูแต่ฉันมีปีกฉันมีสัญญาณซูเปอร์โซนิกไว้คอยหลบหลียามเมื่อมองไม่เห็นเออเด็กอเนีออ่ยเด็กสองนีออ่ อ, งนานา อ, อสงสัยจะเป็นเน่นารีแน่เลยค่ะแปลว่าลูกเสือเขาร้องคอร์เพลงกับเนเนารีใช่ไหมคะอาเคลา่าเราจะทำดีที่สุด